มียมมยมคนไหนไม่เคยมาไหมยก ม, มือให้ดูหน่อยมีมีน้อยอัตรวจกันบ้านก่อนใครเ่าไงอ๋อก็พอตอนกลับไปบ้านนะคะหลวงอาก็กมันครั้งนี้มันก็ไม่ได้ติดสมาธิเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนที่หลวอาบอกว่าไม่ได้ไลงไปดูละเอียดนะคะหลวงอา ก, ก็ดูเป็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้จิตตื่นยังก็รู้สึกว่ามันก็ อาการเก่งเลยมันก็คือธรรมดาน้อยลงค่ะเพราะว่าโพสตอนที่ดูมันไม่เหมือนว่ามันโกยตัวเองโง่ไงค่ะหลวงอาเพราะหลวงอาบอกมันเข้าไปปรุงใช่ไหมคะตอนแรกดูไม่อ๋อนะคะเพิ่งมาเห็นตอนตอนวันนั้นคือมันเหมือนหลุดออกมาทีหนึ่งนะคะตอนนี้รู้สึกตัวยังยังค่ะไปทําอะไรอยู่ดูออกไหมปรุงอยู่อะค่ะหลวงอาปรุงมันทําไมล่ะอตื่นเต้นมั้งคะไปกดมันไว้อ่ะนะไปกดมัน ยืนพื้นไว้เลยปล่อยปล่อยไปทำใจถึงถึงมันยังยืนพื้นอยู่ใช่ไหมคะสองอใช่มันไม่ใช่ตื่นยืนพื้นน ะ, ะมันบังคับยืนพื้นอยู่ให้ดูให้ทันนะอยากดีอยากดีก็เลยไปจ้องไว้ไปบังคับไว้ควบคุมไว้ให้รู้ทันคืนตรงวันนี้ซึมนิดนึงครับวันนี้ซึมซึมนิดนึงครับ ซึมใช่ตอนนี้จิตเป็นไงแต่ละวันเห็นว่าบางครั้งสุดมันจะเหมือนเฉยๆครับเห็นความเฉยๆของมันนะครับแล้วก็พอระลึกได้เมื่อไหร่ก็จะจะมีถ้อยคำว่าจิตมีได้ที่ปรุงแต่งแต่ว่าอย่าไปปรุงแต่งจิต อ, อย่างที่ของพ่อบอกนะครับมันติดเฉยเยอะไปนะตอนนี้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 รู้สึกไหมรู้สึกกลายเป็นทุกข์รู้สึกไห ม, ไหมจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยได้หยุดพักเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆะนั้นเนี่ยเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมีแต่ทุกข์ในกายทุกข์ในใจบีบคั้นตลอดเวลาคอยรู้เพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแหละไม่ต้องสนใจคำว่าปฏิบัติละคำว่าปฏิบัติมันหลอกให้เรารู้สึกว่าต้องทาอะไรมากกว่าการรู้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 ในขณะเกิดอริยผลอันที่ห้าก็คือตัวนิพพานอันที่หนึ่งก็คือการสงบจากกิเลสเพราะการทําสมถะก็ถือว่าเป็นนิโรธเหมือนกันเป็นวิมุตตเหมือนกันเป็นวิมุตตขั้นต้นที่สุดเลยขมลงไปด้วยสมถะอันที่สองข่มด้วยรู้ด้วยสติล้วมันไม่ปรุงแต่งได้แค่แวบหนึ่งแวบเดียว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 รู้กายรู้ใจแล้วก็เพิกถอนวางกายวางใจลงไปใจก็ไปเห็นนิพพานพะอเห็นนิพพานแล้วก็ถอยออกมานะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรนะไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรท่านถึงบอกว่าท่านด่าตัวเองว่าโง่แท้เนาะเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจมนนะไม่เข้าใจนั้นภาวนามากเข้ามากเข้าในที่สุดเกิดความเข้าใจเข้าใจในนิพพาน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 ตกขึ้นเราต้องหาบ้านของเราเองเราไปอยู่หลังนี้นะทีแรกก็นึกว่าใช่แล้อยู่ๆสักพักมันรู้สึ ก, กยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่บ้านที่แทจ้จริงของเราต้องหาอีกนะหาไปเรื่อยๆนะจิตนี้ก็เหมือนกันเที่ยวแสแวงหาพบไปเรื่อยหาบ้านหาไปเรื่อยๆนะหวังว่าตรงนี้จะใช่ตรงนี้จะใช่ตรงนี้อยู่แล้วแต่มีแต่ความสุขถาวรมีความสงบถาวรหาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เจอมันรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่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 เราจะรู้เลยว่าตรงนี้แหละใช่ละการเดินทางที่ยืดเยือ้อยาวนานของเราในสังสรารวัฏนี่สิ้นสุดลงละสิ้นสุดลงตรงที่พ้นจากความปรุงแต่งนี้แหละพ้นจากความยึดถือนี่แหละที่ฝากเป็นฝากตายอยู่ตรงนี้เองความทุกข์เข้ามาไม่ถึงความทุกข์เข้าได้แค่ขันนะแค่รูปกับ น, นามแค่กายกับใจความทุกข์เข้าไม่ถึงธรรมอันนี้นจิต ท, ที่ทรงธรรมอันนี้อยู่นะเต็มบริบูรณ์มีแต่ความสุขล้วนๆเลยจิตกระทธรรมมันเสมอกัน จิตระดับใดทําก็ระดับนั้นเลยหลปู <må Mon> <events> ่มั่นเลยเรียกทีที่จิตทีที่ทำเป็นคู่คู่นะทีที่จิตทีที่ทำครูบาอาจารย์บางองค์เรียกจิตหนึ่งทำหนึ่งจิตเอกทำเอกอะไรนี้จิตเดียวทำเดียวอะไรนี้แล้วแต่จะเรียกเป็นหนึ่งมันไม่ได้ยากเกินวิสัยถ้าเรารู้หลักแต่ถ้าเราไม่รู้หลักทําไม่ได้หรอก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 ถา้าเราภาวนาจแล้ว เ, เข้าถึงธรรมจริงๆเรารู้เลยธรรมที่ฝักเป็นฝักตายได้ทนิพพานนี้เป็นสถานะได้จริงๆเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมกันลงที่เดียวกันนี่เองประชุมลงเป็นหนึ่งนี่องจิตนั้นแหละทรงธรรมนะธรรมก็ทรงธรรมไว้จิตไปรู้ธรรมจิตนั้นก็ทรงธรรมไว้จิตอันนี้ไม่มีความทุกข์แผ่วผ่านได้อีกละ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 ส่วนมากนะทําไมชอบมาเล่ารับหลังต้องรับหลังคนอื่นนะหนูเป็นแตวเป็นตุด๊ดเป็นแตว้วนะบางทีจูงมือมาเป็นคู่ ค, คู่ก็มีมาขอพอรเอาทำไมต้องมาขอพอรนี่นะคู่ผู้หญิงคู่ผู้ชายคู่อะไรเงี้ยคนก็มีแต่ปัญหาเยอะแยะมาขอพอรพระไม่ได้เรื่องหรอกนะพรให้กันไม่ได้หรอก ให้หลวงพ่อก็สอนให้ภาวนาให้มีศีลมีธรรมไปนะเราต้องภาวนาวเองมีศีลมีธรรมจิตใจเราค่อยมีความสุขขึ้นทีแรกความสุขเนี่ยอาศัยคนอื่นเห็นมมามาเป็นคู่คู่ถ้ามีคนนี้เรามีความสุขนะเมื่อวานก็มีคนหนึ่งไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาถึงนะมีความทุกข์มากเพราะว่าแฟนผู้ชายของตัวเองแต่งงานกับผู้หญิงไปแล้วเนะ มีนะผู้หญิงคนหนึ่งก็มาคร่คลลําครวญว่าจะเป็นบ้าเลยสามีหนูสิคะหนีไป ม, มีสามีแล้วหนูท้อแท้ใจหนูไม่มีทางสู้มันเลยนะหนูไม่มีเหมือนมันนะถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงนั่นเราหนูยังพอสู้นะเอนี่ผู้ชายมาแย่งสามีไปเนี่ยความสุขของคนในโลกอย่างเงี้ยมันอิงคนอื่นมันอิงคนอื่น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 อันนี้ก็มีความสุขมากขึ้นหน่อย <Gym. S 1> แต่ก <S eni> <lightly. S 1> ็ยังไม่เที่ยงแท้ความสุขที่เที่ยงแท้จริงๆเนี่ยความสุขที่เราเรียนรู้เข้ามาในกายในใจจนปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เป็นความสุขที่ควบคุมกายควบคุมใจได้นั้นก็มีความสุขเหมือนกันที่ทําสมถะเนี่ยควบคุมกายควบคุมใจไว้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมีความสุขแต่ความสุขที่ปล่อยวางกายวางใจได้นี่อัศจรรย์ที่สุดเลยคราวนี้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 ยังหลวงปู่ดูนนะไฟจะไหม้วัดนะท่านก็บอกไฟมันมีหน้าที่ไหม้ <c oughs> ไม่ทุกนะไฟมันมีหน้าที่ไหม้หลวงปู่บุตรดาโยมทําน้ําปลานะามาถวายวันแรกเนี่ยพระอายุมากแล้วคงจะขาดวิตามินซีทำสักเปรี้ยวสุดๆเลยนะไปถวายท่านท่านก็ฉันไม่พูดอะไรฉันเหลือหน่อยนึงนะเจ้าของคนทํามาชิมอู้เปรี้ยวอย่างเลย ถามหลวงปู่เปรี้ยวมากไหมคะแบบเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีนะอไม่ใช่เปรี้ยวเกินไปนะเปรี้ยวพอดีอีกวันนึงเอาใหม่นะทําเติมน้ําตาลหน่อยเดี๋ยวหลวงปู่จะเปรี้ยวนะหลวงปู่ก็ฉันเฉยๆอะ่ะไม่ว่าอะไรตัวเองเหลือ น, นิดนึงมาชิมดูโอ้หวานแสบคอเลยหลวงปู่หวานเกินไปไหมคะอืมวันนี้หวานพอดีมันมีแต่คําว่าพอดีนะ ทางยีสานแล้วมี อ, องค์ชื่อหลวงปู่ดีเนาะชื่อจริงๆชื่ออะไรไม่มีคนรู้ละคนเรียกว่าหลวงปูด่ดีเนาะดีเนาะใครมาเล่าอะไรให้ฟังนะเออดีเนาะ <c oughs> หลวงพ่อก็ชักคล้ายๆท่านนะพวกเรามาเล่าหมู่นี้หนูเห็นกิเลสเยอะเออดีนี่นะดียังไม่ถึงดีเนาะนะท่านภาษายีสานดีเนาะดีเนาะผัวเมียตีกันมาเล่าท่านก็ยังดีเนาะเลยนะจริงๆแนละ้ว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 แบบโลกโลกคนนี้มนหลวงพ่ออื่นประเทศเทศได้ทาทานถือศีลอะไรเงี้ยรักษาจิตใจอ่ะได้คนหนึ่งอ่ะนี้ส่งกันบ้านได้สามคนสี่คนเองอ่ะทางหลวงพ่อก็แรกก็ตื่นเต้นอันนี้มันก็มองเพ่งตัวเองบั่งรู้รู้มันบ้างอะไรค่อยค่อยหายค่อยค่อยหาย หายแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยหายค่อยหายเมื่อวานเมื่อวานไปรู้สึกจะผมจะเข้าไปทําตามรูปแบบมากรู้สึกมันซึมเอาซึมผมก็นอนเลยรู้สึกอาการตัวเองผิดปกติปุ๊บนอนนอนแล้วก็ตื่นมาเดินสักชั่วโมงแล้วก็ติ่นมาเดินจนกงมก็รู้สึกสบายขึ้นอะไรทีดีวันนี้จิตดีกว่าเมื่อวานเยอะเลย <S 1> <S 1> ใช้ได้แล้วดี<ช>อ่ ะ, อะได้อีกหนึ่งคนเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะครับหลวงพ่อบอกว่าเพ่งเยอะมากแต่ อาทิตนี้เพ่งเยอะไหมครับ เ, ออเพ่งเยอะเหมือนกันแต่ไม่มาก <laughs> <laughs> ไม่มากเท่าอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนบอกเพ่งเยอะมากเนี้ยสองตัวทั้งเยอะทั้งมาก <laughs> <laughs> ดีค่ดัวเอาทำไมต้องเพง่งอยากดีอยากปฏิบตัติกลัวจะทุกข์กลัวจะไม่ดีกลัวจะหลงกลัวจะเฟอ้อเห็นไหมอยากอันหนึ่งกลัวอันหนึ่งนะรักอันหนึงเกลียดอันหนึ่งนี่แหละมันทําให้ใจเราเกิดการทํางานขึ้นมา